ครับลมัส ก, การค่ะจริงๆโยมเพิ่งมาก็อาจจะไม่ทันในช่วงต้นๆค่ะก็เห็นว่ายัางไม่มีคนถามก็ขออนุญาตถามหลวงตาค่ะก็ปกติโยมเป็นคนนิสัยเจ้าตัวสามาากค่ะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝึกรู้รู้ทันอารมณ์แต่ก็คิดว่ารู้ไม่ทันแต่ก็มีอาการว่ามีคนยั่วดุตัวสะให้โยมไม่โยมโกรธแล้วก็ ก็รู้เอ้ยเรากำลังจะโกรธเหรอล้วก็แค่ดูมันเฉยๆดูมันโดยไม่ได้คิดอะไรอะค่ะในขณะนั้นก็เห็นว่าเหมันจะแบบอารมณ์มันเฉยๆว่างๆไม่มีไม่มีอะไรมากระทบแล้วอารมณ์ที่ว่างๆเฉยๆแค่รู้ทันตรงนั้นนะคะก็เห็นเห็นเห็นเหมือนตัวเองอะค่ะที่หลุดออกมาอีกร่างหนึ่งเป็นเหมือนเหมือนตัวเราเองแต่นั้นอารมณ์ตรงนั้นมันไม่ใช่อารมณ์ปกติแล้วอะค่ะโลกทั้งโลกมันเบาวิวใจก็เบาวิว ตู้สิ่งทุกอย่างมันได้น้ำหนักนะคะไม่ทราบว่าสิ่งที่โยมเห็นนั้นคืออะไรค่ะร่างที่ออกมาเนี่ยเขาก็มาทํางานเหมือนเหมือนงานที่โยมทําอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ก็แบบเหมือนไม่ใส่ใจอารมณ์เหมือนร้ายอารมณ์เหมือนเหมือนร้ายความรู้สึกอะไรเหมือนเหมือนโรคเหมือนโรคตั้งโลกมันไม่มีน้ําหนักนะคะแม้กระทั่งตัวโยมเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นแค่เป็นแค่มันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยอะค่ะไม่มีอะไรเลยมันว่างๆมันโล่งๆมันแค่สิ่งเบาๆมันได้น้ําหนักมัน มันเหมือนแค่สิ่งสมมติขึ้นมาเฉยๆแม้กระทั่งตัวโยมเองแต่พอพอโยมเกิดอาการสงสัยตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บก็แค่มีอารมณ์สงสัยขึ้นมาก็กลับมาเป็นเป็นโลกปกติด่างนั้นก็หายไปอ่ะค่ะเอในร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีเหมือนสามถอดอ่ะอย่างของเราเนี่ยมันเหมือนกับถอดได้สองถอดมัย้ยยหรือถอดนึงมีสามถอดมันถอดได้สามถอดคือกายแรก ถ้าเหมือนมันมีอารมณ์เนี่ยตัวเรามีอารมณ์โกรธแล้วอยู่ๆมันเหมือนกับมีผู้มาลุ้อารมณ์โกรธเหมือนกับไอ้ผู้ที่มาลู้อารมณ์โกรธกับตัวเราที่โกรธได้เป็นคนละตัวกันไอ้นี่เป็นสองถอดเราต้องฝึกต่อไปอย่กงงันแน่ไอ้ผู้ที่มีอารมณ์เนี่ย มันก็คือพอเราถอดออกมาเหมือนกับมีตัวเราเนี่ยออกมาจากล่างไอ้ล่างที่มีอารมณ์ไอ้ร่างกายของเราที่เป็นกายเนื้อเนี่ยเหมือนกับมีตัวเราออกมาอีกตัวหนึ่งคล้ายๆอย่างนั้นแหละคล้ยายๆนะไม่ใช่ว่าเราไปฝึกถอดล่างเราเนี้ยแต่บางทีมันก็มันก็บางทีมันก็มันก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเราเนี่ยไอ้กายเนื้อมันอีกตัวหนึ่งแล้วไอ้ไอ้ไอ้เวลา ม, มีอารมณ์ขึ้นมานแล้วเราก็มันมันรู้มันอยู่เฉยๆไอตัวมีอารมณ์มันก็ดับไปบางทีเนี่ยแต่มจะดับแล้วไม่ดับเนี่ยมันเหมือนกับพอมันมาเป็นรู้เฉยๆเนี่ยมันก็ว่างเบาไปเลยแต่ความจริงเรายังถอดได้แค่สองถอดคือถอดกายกายจิตออกจากกายเนื้อถ้าเราสังเกตได้ดีไอไอพ้ที่ออกมาจากกายเนื้อน่ะเนี่ยู้ที่เหมือนกับออกมาอยู่มาดูไอตัวตัวเรามีอารมณ์ไอพ้ที่ออกมาเนี่ยไอตัวนั้นเน่ยคิดนึกถึตอมปรุงแต่งได้ มันมีความคิดหนึ่งต่อปรุงแต่งมันว่าเอ๊ะมันสมัยเป็นอย่างนี้่ะเอ๊ะเราทำไมมีสภาวะอย่างนี้เนี่ยมันเราออกมาเลยหลอกมาอะไรตัวนี้มันเลยหายไปเลยเนี่ยเหมือนอารมณ์มันหายไปตอนนี้เราเบาเราว่างแบบนี้นะเนี่ยมันว่างไปหมดเลยเนี่ยไอตัวเนี่ยเรามาอยู่กับไอ้กายจิตที่มันพูดได้เราต้องมาเห็นนั่นอีกทีหนึ่งไมาเห็นในไอ้กายจิตเนี่ยที่มันพูดได้เห็นมันอยู่อย่างนั้นนี่ยอย่าไปทำความรู้สึกถอดนะ แต่เห็นในกายจิตอย่างงี้เนี่ยเห็นเห็นเห็นเนเหกายจิตแล้วก็เห็นมันอยู่เฉยๆเห็นมันมันคิดมันพูดได้อยู่อยู่คนเดียวอยู่เฉยเดี๋ยวถ้าเราในเห็นมันจริงๆไม่ไปติดมันจริงๆมันจะเหมือนกับเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเราหลุดออกจากกายจิตอีกอันหนึ่งมาเป็นรู้ที่พูดไม่ได้ส่วนในกายจิตเนี่ยมันเป็นกายที่มันคิดได้มันนึกมันไป็นรู้อะไรมันนำมาคิดได้นึกได้มันตึกตองได้มันพูดอยู่คนเดียวได้ใช่มมันมันรั่วว่างเบามากเลย ไอ้ตัวที่เราจะไปอยู่กับความว่างความเบาเราไปสังเกตเห็นให้ดีว่าไอ้ตัวที่มารู้วกว่างเบาเนี่ยมันมันพูดได้ว่าอูมันว่างมากเลยมันมันเบามากอย่างนี้มันคืออะไรเนี่ยนี่มันคือสภาวะอะไรอูมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มารู้ไยไอ้ไอ้กายจิตที่มันพูดได้ที่มันคิดตึกต้องได้แล้วก็พอเรารู้ไม่ติดไปกับอะไรเนี่ยไม่ติดไปกัไอ้กายที่มันมันคิดมันพูดได้อยู่ในใจมันก็จะมันเป็นรู้แล้วก็ ทิ้งไอ้กายจิตไว้อีกอีกกายหนึ่งเลยมันเปลี่ยนเหมือนสามถอดคือกายเนื้อกายจิตแล้วก็มาเป็นผู้รู้หรือเรียกว่าพุทธะอันนี้ยังไม่ถึงผู้รู้ใช่ไหมคะยังไม่ถึงกายพุทธะพุทธะนั้นนั่นคิดนึนกคิดตองไม่ได้ได้แต่มีแต่ความไม่มีตัวตนเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าไปหมดเลยเหมือนกับเป็นเหมือนกับมันคิดไม่มันไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมาเอ า, เอามาสงสัยอะไรได้เอามาคิดเอาภาคได้มัน <Okay. S 2> มีแ ต, มแต่มีแต่รู้แต่ตัวตนมันไม่มี มันจะามาคิดเอามาภาคเอามากังวลเอามาสงสัยอะไรไม่ไดไ้เหลือแต่ความเป็นบลแต่ความรู้แต่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีกิริยาการ ใ, ใดๆเลยแต่เห็นทิ้งไอผู้ที่มันคิดมันมีอาการไว้เบื้องหลังมาเป็นรู้เหมอทิ้งไอร่างกายที่มันหายใจเข้าหายใจ อ, ออกได้ไว้เบื้องหลังทิ้งไอไอกายกจิตที่มันมีความรู้สึกมันคิดไว้เบื้องหลัง มาเป็นรู้แทนรู้ที่มันไม่มีตัวตนไม่มีกิยรูปอาการใดๆแต่ก็ต้องเมื่อยังไม่ตายก็ต้องอยู่ด้วยกันจนกว่าจะตายแต่มันเนี่ยไม่ยึดไม่ยึดกายเนื้อและกายจิตแล้วมันเบื่อหน่ายกายเนื้อและกายจิตมันไม่มันเบื่อหน่ายเห็นกายเนื้อและกายจิตมันเป็นเป็นเป็นทุกข์มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์มันมันเบื่อหน่ายแล้วมันมันมาเป็นรู้อยากเป็นรู้แต่มันก็ไม่สามารถจะขาดจากกันได้เพราะว่ามันยังไม่ตาย ก็เป็นรู้ไปทนอด ท, ทนเป็นรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นเปื่อนหน่ายในกายจิตและกายเนื้อเนะี่ยที่มันมีแต่ความทุกข์มีความแก่ความเจ็บความตายมีความคิดมีอารมณ์ทําให้เป็นทุกข์วุ่นวายเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นรู้เส้นมันก็ว่างเปล่าเป็นแต่รู้ก็ว่างเปล่าแต่เมื่อชีวิตยังไม่ตายมันก็ยังต้องมีความทุกข์กับร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยยังมีความทุกข์กับอจิตที่มันกับเพื่อนไหวไหวไห ว, ไ ว, ไวตัว มันมีอารมณ์มีเวทนาสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจแต่มาเป็นรู้แทนมาเป็นรู้ตอนนั้นยมไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธิค่ะยมแค่แค่พยายามรู้มันเฉยๆค่ะแต่ตอนหลังก็มาอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ที่เจอคล้ายๆกับแบบนี้ตอนนั้นคุณแม่เสียก็คิดว่าเราจะเราจะเสียใจมากแค่ไหนประมาณนั้นนะคะ แต่พอคุณแม่เราเสียในมือปุ๊บเราก็มีสติแค่รู้แล้วก็มันมันได้อารมณ์อีกแล้วอะค่ะกระดวงตาที่เป็นแบบนั้นนะค่ะคือเหมือนเหมือนเราไม่ทุกข์ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์แค่รู้เฉยๆว่าแม่เราเสียแล้วนะก็มันอารมณ์มันมันแตกต่างจากครั้งแรกค่ะก็เหมือนกับเป็นเส้นขนานนี่คือตัวเราอยู่ตรงนี้อารมณ์ทุกข์เสียใจมันก็อีกส่วนหนึ่งมันอยู่ข้างนอกมันเข้าไม่ถึงจิตเราอารมณ์แบบนี้มันจะเข้ามากระทบกับโยมตอนที่โยมที่มีอารมณ์รุนแรงเท่านั้นค่ะ อย่างเช่นครั้งแรกก็กำลังจะโกรธครั้งหลังก็คุณแม่เสียแต่พอปฏิบัติทำหรือว่าทำสมาธิโยมก็ไม่ดันไม่มีความรู้สึกอะไรว่ามันก้าวหน้าเลยคือไม่แน่ใจว่าคงที่หรือทำผิดหรือเปล่าเพราะว่าโยมยังเวลาภาวะปกติที่ไม่มีอารมณ์โยมไม่ได้มาลุยไอ้จิตที่มันมันคิดมันคิดมันปรุงแต่งมันมันพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวมันมันคิดติดต o n มันมีอาการมีมีอาการมีอาการต่างๆภายในใจ มันมีอาการกระเพิ่มได้ไหวตัวได้มีอาการแน่นอัดมีอาการโป่งโลกเบาสบายมันยังไออาการที่มันโป่งโลกเบาสบายมันเข้าถึงใจโ ย, ยมได้คือโยมเนี่ยไปเห็นแต่ว่าอาการโกรธมันเข้าไปถึงใจอาการเสียใจคุณแม่ตายเข้าไปถึงใจพอเข้าถึงไปถึงใจใจมันว่างไปหมดเลยแต่โยมไม่รู้ตัวว่าอาการที่ว่างเบาสบายว่างไปหมดเนี่ยเข้าถึงใจโ ย, ยมเข้าใจไหมเนี่ย อารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์ปกติข้างนอกนิยมยังไม่ยังไม่ปล่อยให้มันเข้าถึงใจแต่ใจที่สบายอารมณ์ที่สบายใจอารมณ์ที่ปโป<อ>่งโล่งเบาสบายว่างๆอันนี้มันเข้าถึงใจโ ย, ยมได้โยมยังปล่อยให้เป็นไอไอความรู้สึกโปง่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยว่างสงบเนี่ยมันเป็นอายะทาภายนอกมันเปรียบเทียบได้มันเป็นเช่นเดียวกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสกาย โยมปล่อยให้เนี่ยเวลาความไม่สบายใจโยมรู้มันอย่างที่มันไม่ติดอยู่ในใจโยมได้คือความโกรธตอนแรกโยมบอกเป็นความโกรธอันที่สองโยมบูดอีกทีหนึ่งคือคุณเสียความเสียใจตอนที่คุณแม่ตายแล้วโยมก็พูดอันแรกโกรธความโกรธหายไปกายเบาใจเบาหมดเลยพอที่สองอีกโยมก็พูดว่าความเสียใจที่แม่ตายหายไปกายเบาใจเบาหมดเลยตรงเนี้โยมไม่ได้โยมไม่ได ให้กายเบาใจเบาความรู้สึกกายเบาใจเบาเนี่ยมันติดอยู่ในใจโยมได้ไม่หลุดออกจากใจอ๋อค่ะเลยไม่มีเลยไม่ไม่เกาวหน้าค่ะที่ถูกโยมต้องให้ความรู้สึกที่กายเบาใจเบาหรือไม่เบามันจะเบาหรือไม่เบาไม่มีอิทธิพลต่อใจค่ะต้องไปฝึกต่ออีกนะต้องแก้ยังไงดีคะหลวงตาแก้ยังไงก็ความคิดและอารมณ์ทุกชนิดไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ไม่ไม่ให้เข้ามามีอิทธิพลต่อใจ ต้องปล่อยวางแต่แต่แค่รู้ให้เฉปล่อยวางไปค่ะก็ให้รู้ให้ละเอียดกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ใช่คือคอย่าไปรู้เฉพาะตอน ม, มีอารมณ์หยาบให้มีความรู้ในสภาวะปกติให้เห็นว่าในสภาวะปกติที่ไม่มีอารมณ์หยาบบังคัทบให้โกรธให้เสียใจมันมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะอารมณ์นั้นน่ะเล็กน้อยปานใดละเอียดยิบยับยบยบยบปานใดไม่ว่ามันจะดีเลิศประเสริฐว่างเบาสบายเพียงใดก็ตาม มันอย่าให้มันเข้ามามีอิทธิพลต่อใจได้ค่ะให้มันเหมือนกับว่าค ว, วามโกรธและความเสียใจเน่ะอย่าให้มันเข้ามามีอิทธิพลต่อใจได้ค่ะไอ้ความคิดและอาร Ь มณ์เนี่ยที่มันละเอียดเล็กน้อยจิบจ๊บจิบจ๊บจิบจบจบจบไปหมดไปว่ามันว่างโลภบ่งเบาสบายก็อย่าให้มันเข้ามามีอิทธิพลต่อใจเหมือนเหมือนกับอารมณ์โกรธและอารมณ์เสียใจถ้าโ<ม>ยมทําได้อย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่าการก้าวหน้าแล้วการปฏิบัติคะ่ะก็ตอนนี้ก็แ่นนิงมากขึ้ อารมณ์โกรธเมื่อก่อนมันจะโกรธมากแต่เดี๋ยวนี้มันตั้งแต่รู้ทันรอบนั้นนะคะหลวงตาก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหวือหวาหรือว่าไม่ค่อยกระทบกับเราแล้วในในเรื่องอารมณ์รุนแรงค่ะแต่อาจจะต้องฝึกเรื่องอารมณ์ละเอียดมากขึ้นค่ะความคิดด้วยค ว, ค, ความคิดละเอียดอารมณ์ละเอียดในสภาวะปกติค่ะจะต้องฝึกตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่ว่า คิดดีคิดช่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนากุศลหรือว่าใจสบายไม่สบายจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อใจคะไม่เข้ามาไม่เข้ามามีอิทธิพลต่อใจค<ะ>ให้แค่รู้แค่รู้แต่เราแต่เราแค่รู้จริงๆอ่ะใจมันจะไม่ไม่ไม่ปรากฏตัวใจเลยจะไม่ปรากฏตัวใจะจะไม่มีตัวใจค<ะ>แค่รู้สาธุค่ะท่าที่ฟังหลกตาพูดก็คือโดยภาวะปกติผมทําอยู่ ถ้าถูมสูบได้คือเราต้องรู้อยู่ตลอดเวลาในนาที่เรายังไม่ในชั่วชีวิตจาวันที่หลวงตาพูดคืออันนี้คือสิ่งที่ผมทําอยู่แต่ว่าตอนที่เราไปนั่งสมาธิช่วงเช้าและช่วงเย็นผมมีความรู้สึกว่าจิตมันจะรวมได้ง่ายที่ที่เป็นอยู่นะครับแล้วผมมีสภาวะหนึ่งก็คือตอนที่ผมฝึกไปใหม่เนี่ยจิตตัวหนึ่งมันก็เคยเป็น ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกแต่ว่าผมเคยทําพระพระก็กบอกเป็นปิติมันได้ของเหมือนไม่เคยจะได้มันไม่เหมือนได้ของได้เงินได้ทองครับแล้วพอสักพักนึงผมก็เขาบอกให้รู้ที่ใช้ทีนี้ผมก็เลยมานั่งทําก็เลยรู้ว่าจิตมันสว่างอยู่ที่ เ, เป็นสมาธิทีนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าคําว่าสมาธิมันเป็นอย่างนี้พอทําไปทํามาก็เลยเคยได้ยิน ที่พูดว่าต้องกลับมาพิจารณาที่ตัวก็เลยพิจารณาไอ้ตัว่นอนที่บวชก็เคยทําแต่มันก็ไม่เป็นอย่างเนี้แล้วก็เลยพิจารณาตัวเองเรื่องผมให้ห้าอย่างครับตาทีนี้มันก็ค่อยปรับลงไปเรื่อยๆมันปล่อยไวเองเรื่อยๆไงทีงนี้ผมก็เลยไปถามแล้วพอมองแต่ผมขนเล็บฟังหนังก็เป็นเรื่องอะไรเนี่ยมันมองเป็นเรื่องของสุขภก เราพรอมก็พิจารณาออกมาเป็นเห็นตัวเองเป็นกระดูกอะ่ะกระดูกเสร็จแล้วมันก็ปล่อยออกมาแล้ว ม, มันถอนออกแล้วพอที่ไปคุยกับใครเหมือนฟังกับใครง่ายต่างมันเป็นลักษณะว่าวางเฉยเฉยขนักที่คุยกับใครก็จะวางเฉยเฉยไม่ปรุงไม่ปรุงไม่แต่งแต่ว่ามันเป็นอยู่ปร ะ, ประมาณสักสองชั่วโมงทีนี้ผมก็เลย นึกขได้ว่าออท่าเราทําอย่างเงี้ยทุกทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำางเงี้ยตลอดเวลามันก็จะตอนนั่งสมาที่มันจะเป็นอย่างนี้แต่ก็เคยตอนที่ทําอยู่อยู่ช่วงหนึ่งก็ทําไปอไม่มีสภาวะหนึ่งคือไอ้คาว่าปิติแล้วตอนที่ปล่อยผมปล่อยผมมีอยู่พักหนึ่งผมพิจารณาตัวหนึ่งแล้วมันมันไม่ใช่มันไม่ ม, ไ ม, มันสุขกว่าปิติ มันสงบ ก, กว่ามันมันดีกว่าสมาธิมันปล่อยแล้วมันโล่งลงไปแรงตาลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้คือคือคือวางแล้วเปล่าครับมันตาก็ไม่เป็นไรหลอกแต่ว่าพินาต่อพอมันมันโล่งมันโล่งแล้วก็นอนพนากายมาอย่างที่พเราพินานะ เ, นนเนี่ยผมบวรเล็บปันหนังด้วยเองกระดูกตับไตเส้นนรสยายมากแต่ปอดหัวใจการเต้นสองน้ําเลือดน้ำเหลือ ง, องพินาเขาพินามากๆร่ า, า, างกายแย่แย่ครับ แยกแยกพี่นาออกร่างกายออกให้เหมือนอะไรลูกเสียงกงอ่ะแยกออกให้หมดจะเป็นเหมือนชิ้นส่วนใดอ่ะมันแยกได้แยกเออหมดให้เหลือไม่เหลือตัวตนแยกออกให้หมดเลยเห็นไหมเป็นธาตุดินน้ําลมไฟเป็นธาตุวางนะอะ่าไปจับเบาสบายมันเบายังไงมันไหวยังไงก็ตามอย่าไปจับเบาสบายให้นอมแยกเห็นร่างกายไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงน้ําไปผุพังสลายเป็นดินน้ําลมไฟเป็นอากาศธาตุมาจากธาตุกับพืนสู่ธาตุมาจากดินกับพื้นสู่ดิน มาจากน้ำกับพืนสู่น้ำมาจากลมกับพืนสูลมมาจากไฟกับพืนสู่ไฟมาจากความวา่างเปล่ากับพืนสูว่างกล่าหาตัวตนไม่เจอแล้วก็น้อมอย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกร้อยครัง้งพันครัง้งหมืน่นครั้งแสนครั้งล้านครัง้งก็น้อมอย่างเงี้ยให้ต่อเนื้อไม่ขาสายอย่าไปอยู่กับใจที่เบาสบายอย่าไปอยู่กับใจที่ว่างนี่ถ้า ถ, ถ้าเกิดผมเจอภาวะทั่วไปอย่างเงี้ยผมก็ต้องใช้หลักพิจารณ์งี้ใช่หมครั <S <S ใช่ใช่ณตอนนั้นเวลานั้น ทุกๆขนาดปัจจุบันต้องต่อเนื่องไม่ขาซ้าย24ชั่วโมงโยกเว้นแต่หลับไปครับอย่าไม่สนใจเลยว่ากายเบาขนาดไหนเหมือนจะเหาะเออเดินอากาศได้หายตัวได้ร่างกายไม่มีตัวตนเลยไม่สนใจเลยจะต้องไม่ให้ความสนใจให้น้อมแต่ร่างกายที่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงละเปิดผุพังสลายไปยิ่งขึ้นอื่นยิ่งเน่ายิ่งดีครับสลายกลับเป็นดินน้ำลงไฟนะ โดยทำไมก็เด่นวอาไงเอามาเอาใครถามเอ้าขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะคะต่อเนื่องจากของคุณพี่ผู้ชายนะคะโยมเคยเจอคือนั่งนั่งสมาธิแล้วแบบมันก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่พอทานอาหารปุ๊บก็เห็นปลาแล้วก็ไก่ที่อยู่ในในอาหารนะคะเป็นเหมือนสากศพ มันเน่ามันมันเห็นมันเห็นเหมือนกับในขณะที่เราพิจารณานะคะแล้วมันอาการหนักมากคืออ้วกแตกเลยแล้วหลังจากนั้นก็ทานอาหารทานเนื้อไปไม่ได้อีกนานเลยค่ะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่โยมเห็นนั้นเป็นแบบไหนค่ะคือเรต้องน้อมรีบรีบน้อมกลับมาเป็นที่ตัวเราอย่าไปเอาสิ่งที่เราเห็นก็เห็นเอ็นอาหารเห็นเนื้อสัตว์ที่เขามาทําอาหารนะเห็นเหมือนมั น, ม, นมันเหมือนซากศพเน่าๆไปเลยว่าแบบเออนี่เรากินไปได้ยังไงเรา ไม่เราอย่าอันนั้นเราเราขาดสติแล้วเราจะมุ่งออกไปที่สิ่งที่เราเห็นนะเราต้องเอาสิ่งที่เราเห็นน้องมาเป็นตัวเราให้มันเป็นตัวเราตายเน่าเปิดอยบุปผังอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นวิปลาสมันเห็นมันเห็นเป็นเหมือนคนตายมัอนศพตายอะค่ะไม่ใช่เป็นเหมือนสัตว์อันนี้คือคือดูผิดคือไม่ใช่ต้องหย่อน้องกลับเอาเห็นตัวเราให้เว่าตัวเราก็ต้องตายเน่าเปิดอยบุพังอย่างนี้ค่ะอย่าไปไปเพ่งอยู่ตรงที่ที่เราเห็นว่ามันเน่ามันจะเป็นวิปลาสเนี่ยนี่คืออาการที่มันขึ้นไส้อาเจียน อ้วแตกวกแตกนะคือก็เรียกว่าจิตมันเป็นวิปลาสต้องน้อมกลับมาเป็นตัวเราต้องรู้ทันาอารมณ์ตรงนั้นกลับมาคือไม่ใช่ไอ่พอเห็นมันตายหน้าเปิดผูพามันเน่ามันคนตายนะก็น้อมให้เป็นตัวเรากลับมาเป็นตัวเราให้เป็นตัวเราเนี่ยเราก็ต้องเน่าอย่างนี้เนี่ยเราตายแล้วก็ cod ต้องเน่าอย่างงี้เราตายแล้วก็ต้องเน่าอย่างนี้เราตายแล้วก็เน่าอย่างนี้ค่ะแตสดงว่าตอนนั้นโยมพิจารณาไม่ทันค่ะก็อารมณ์อารมณ์ทางโลกมันมามันโผล่มาก่อนว่าแบบ มันไม่ได้เห็นแค่ตอนนั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เห็นเห็นเนื้อสัตว์ที่ทานอาหารนี่ก็จะเป็นอารมณ์นั้นเลยก็ต้องมันเป็นปีนะคะหลงตากว่าจะกลับมาทานอาหารได้ตามปกติไม่ใช่โยมไม่เข้าใจคือโยมเห็นอันนั้นเนี่ยแล้วก็น้อมกลับมาเป็นตัวเราให้ต่อเรื่องไม่ขาดสายไม่ใช่ว่าไปพิจารณาตอนที่เราเห็นเน่า่นั้นคือพอเราเห็นเน่า่นั้นเนี่ยเราก็มาน้อมตัวเราเนี่ย ตั้งใจนักกัทุกวั น, ว น, ต, นตั้งวันตั้งคืนตั้งวันตั้งคืนให้เห็นตัวเราเนะนี่ยตายเน่าเปื่อยผุพังแบบนั้นไอ้้เราพิจารณาเป็นตัวเราก็เน่าเปิดยแบบนั้นเหมือนกันค่ะใช่ไม่ใช่ว่าโอ้ยเราไปอยู่กับประการอย่างนั้นเป็นปีเนี่ยดีนะเนี่ยไม่ไม่เป็นวิปลาสค่ะสาธุคะ่ะการปฏิบัติทําให้มีใครชี้แนะนี่อันตรายมากนะค่ะสาธุคะ่ะอพอเราเห็นแบบนั้นนะจังน้อมมาเป็นที่ตัวเราอะไรก็ลงที่ตัวเราหมดทั้งไป ไอ้เท <ET>, ี่ยวใดที่มาลงที่ตัวเราเพื่อเราปล่อยวางร่างกายจิตใจของเราให้สิ้นความจิตบ้านถือบ้านในร่างกายตนและสิ้นความจิดบ้านถือบ้นว่าจิตใจเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราสิ้นความจิตบ้านถือบัานร่างกายว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือเพื่อให้ปล่อยวางร่างกายกับปล่อยวางจิตใจแค่สองอันนี่แน่เราไปไปอยู่แต่อารมณ์อย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นเป็นปีปีโออันตรายมากแล้วก็ มันก็เลยหายไปแล้วใช่ไหมควารู้สึกนะั่นแหละว่าหายไปแล้วน้อมน้อมไม่ขึ้นน้อมไม่ขึ้นเลยหายไปแล้วค่ะน้อมยากกว่าแต่เนี้ยมันคือ <c oughs> โอกาสจะได้โอกาสก็เสียโอ ก, า ส, กาสไปคือความจริงโอกาสตัวนั้นกาลังมีแล้วก็ <c oughs> พลิกกลับมาน้อมเป็นตัวเราตายนะเปิดเราต้องมีสภาพเป็นยางไงปุ๊บโอกาสท้องเลยโยมจะเคยเจอแบบนี้อาจจะแบบอาการแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันค่ะหลวงตาอย่างเช่นโยมกลัวมีโกนมากเนี่ยขณะที่เราโยมพิจารณาตัวรู้อยู่ก็เดินไป บนพื้นถนนนี่จิตมันก็เห็นมีดโกนอะไรเต็มไปหมดเลยก็รู้สึกกลัวแล้วก็กลัวรูกลัวรูเล็กๆ ก, ก, กลัวในช่องแคบๆอย่างนั้นแบบวิปาลาสแหละก็กต้องหยุดต้องหยุดทํ า, ามสมาธินานเลยค่ะที่จะกลับมาเป็นปกติได้เ อ, อันนี้ตอนนั้ น, นเป็น เ, <อ>เป็นช่วงเป็นช่วงในช่วงปีเดียวกันกับที่โยมเห็นอาหารเน่าแบบนั้นนะค่ะเป็นศพก็ช่วงนั้นเกือบต้องหยุดทําสมาธิเลยถึงดีขึ้น่ะ มันก็เกต่อเนื่องมาเนื่อน่ะเกิดต่อเนื่องมาจากที่เราไปเห็นอาหารมันเน่าแล้วเราก็เป็นปีๆงั้นะค่ะเรากินไม่ได้อูกแต่แต่มันก็เลยพัฒนาไปต่อไปเห็นอะไรก็ไปสร้างมโนภาพต่อไปเลยตอนเนี้ยก็พยายามตั้งสติเตือนรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงแล้วเราก็พยายามรู้ทันอารมณ์ก็กลับมามีสติย้อนมาที่ตัวเราว่ามันในนี้คือไม่ใช่ของจริงก็ หยุดนานเหมือนกันค่ะกว่าจะกลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งหนึ่งอ๋อสิเกีร์น้อมเขานะต่อไปอ่ะค่ะสาธุค่ะน้อมก่อโอ้เวลาเนี้ยปฏิบัติต้องมีคนชี้แนะมันมีคนชี้แนะแล้วก็เวลามันมีอะไรขึ้นมันดิปลาดได้อ้าใครตามต่ออ่ะมาโเดี๋ยวจะกลับแกลงนี่มาจะแกลงไกเอาไม้ให้ทอ่ะกา บ, ากบนาัสการ หลวงตาค่ะที่ฉันก็ตั้งใจมาเพื่อมากราบหลวงตานะคะทียงก็ฟังเทปก็เข้าใจว่าเข้าใจอยู่ในเทปแล้วนะคะเข้าใจก็เลยไม่กล้าจะถามอะไระคะ่ะเพราะว่าเข้าใจว่าฟังหลวงตาเข้าใจอยู่แล้วในเทปอล้นะฮะก็เลยไม่ทราบว่าจะถามอะไรดีก็อยากจะถามว่า อยากว่าการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยมันสติมันขาดตอนค่ะมันไม่ค่อยสติมันกระทนกระแท่นสติมันมันไม่ต่อทีเดียวอะนะฮะมันก็จิตมันยังมีสิ่งอื่นเข้ามาปนอยู่เยอะในจิตเนี่ยค่ะก็พยายามอยากจะให้จิตเนี่ย มีสติอยู่ตลอดแต่มันยังทำไม่ได้อะค่ะต้องเห็นโทษนะคือเข้าใจหมดแล้วและแล้วก็ปฏิบัติก็ได้ถ้เราจะปฏิบัติก็คิดว่ามาถามมืตาของตาก็ต้องบอกว่าให้พยายามทำสติให้ติดต่อต่อไปนะคะการที่เราจะมีสติต่อเนื่องไปอ่ะรู้อยู่แล้วว่ารถไฟจะตอบว่ายังไงแต่ก็การที่เราจะมีสติต่อเนื่องได้ เราต้องเห็นโทษที่เราขาดสติถ้าเราไม่เห็นโทษที่เราขาดสติเนี่ยเราจะไม่สามารถมีสติต่อเนื่องได้ตัวนี้สำคัญนะคือเราเนี่ยถ้าไม่เห็นโทษอะไรเราจะไม่เราจะไม่ไม่ยอมแก้ไขเราจะไม่ยอมละเราไม่เห็นโทษที่ขาดสติเราก็จะไม่มีสติคือเวลาเราขาดสติเนี่ยเราก็จะไปยุ่งยุ่งวุ่นวายไปบ่นคนนั้นบ่นคนนี้มีอาการบ่นบ่นคนนั้นบ่นคนนี้ยุ่งกับคนนั้นคนนี้ยุ่งวุ่นวาย ไอ้ตัวเนี้ยพอเราขาดสติไปเราก็ออกอาการเลยออกอาการไปบน่นคนนั้นบ่นคนนี้บน่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันไม่ถูกใจไม่ถูกตาไม่ถูกหูทีนี้มันก็เลยไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีปัญหาเวลาเราตายแล้วปัญหามันเกิดคื อ, คอเราจะโดนยมมาทูดเขาลากออกไปอภิปากษาลงโทษแล้วก็มันยังจะเหลือตัว ต, วตวนออกมาจากร่างเราไดส้สติที่ว่านี่หมายถึงว่ายังติตัวเองอยู่ว่ามันยังคิด ยุ้มยิ้มข้างนอกแบบว่าเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาแต่เรื่องหยาบหยาบใหญ่ๆอ่ะไม่ค่อยมีแล้วค่ะมีแต่ว่าเรื่องยุ้งยิ้มที่แวบมาเรื่องนั้นแวบมาเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ซึ่งมันความรู้สึกที่มีสติอยู่ตลอดอ่ะมันมีไม่ได้อ่ะค่ะจะถามตรงนี้อมืมีได้ที่ก็คือว่าอาการที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่เราเ็นคนละตัวกันกับผู้รู้ อมันมันคนละตัวกับผู้รู้ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดไม่ได้อาการของมันคิดเล็กน้อยคิดเล็กๆกน้อยนเนี่ยมันมันคนละตัวกันปล่อยวางมันไปเถอะเราอย่าไปทําให้มันไม่คิดไอ้ที่เราบอกว่าไอ้มันแวบเล็กเล็กน้อยน้อยมันทําให้เรานสติขาดเรื่อยอันนั้นไม่จริงคือว่าถ้าเราเห็นอยู่รู้อยู่ว่าอาการที่จิตมันคิดเล็กเน้อยนอยอยู่มีดิ้นิ้มันพูดดันปาดงดงดันเล็กเล็กน้อยนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันคนละตัวกับธรรมชาติรู้คือธรรมชาติรู้เนี่ย หรือรู้ตามธรรมชาติเนี่ยตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีตัวอะไรเรียกว่าใจใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่ามีแสดงกิยาการใดๆไม่ได้ไอตัวที่มันคิดนี่คือตองปรงแต่งได้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติของรู้หรือว่าไม่ใช่ใจเราะนั้นปล่อยวางเข้าไปเถอะแล้วก็เดี๋ยแต่รู้อยู่ว่ามันมันคิดอย่างนี้แต่ไม่มีใครติดไปกับมันไม่มีใครพยายามไปดับมันแล้วไม่มีใครหลงไปกับความคิดอารมณ์เล็กๆน้อยๆหยิมยิมหยิมหยิมนั้นปล่อยวางเข้าไปปล่อยวางเข้าไปคือ ได้แต่แค่รู้คําว่าปล่อยวางเขาเพราว่าเห็นว่าเขาเป็นสังขารปุงแตงเป็นสังขารปรุงแตง่งมันก็อยู่ด้วยการเพียงแค่เราสิ้นลมหายใจมันก็ดับลงให้กายไปเป็นใจที่วางเปล่าซะจะได้ตายแล้วไม่มีตัวตนตัวเราเนี่ยกระเด็นออกจากล่างให้ยบ ม, มาถูกก็พาไปค่ะจะพยายาม อ, อทําให้ดีขึ้นนะคะสาธุสาธุแล้วก็ฟังไอ้ไฟล์เสียงใหม่ๆที่ส่งไปทุกวันแม่อยู่ในไลน์ไหมไม่มีค่ะ เราเปิดไลน์ไม่เป็นเราช่วยเปิดให้นะเข้าเข้าไลน์กลุ่มสี่วันนี้เข้าแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็เปิดเพราะว่าส่งไปทั้ทุกวันเลยระยะเนี่ย เ, เอเเอให้ให้ลูเปิดแล้วก็หาโทรศัพท์มือถือแล้วหาลำโพงเออแล้วก็ให้แม่ว่าให้แม่เขาฟังแม่เขาใช้ได้รล้วเสียบรรยาใช้ได้จากหยาบหยาบมาเป็นละเอียดละเอียดแหละถ้าก็ปล่อยวางละเอียดได้ไม่ใช่ไปดับนะไม่ใช่ปไปไล่ดับไอความคิดอารมณ์ที่ละเอียดนะเพียงแต่ว่า รู้แล้วไม่ติดไปรู้แล้วไม่ติดไปแล้วไม่เป็นไร่ดับเขาแค่นั้นแน่มันก็จะมันก็เป็นสัก์ตะวรู้มันก็จะไม่มีตัวตนเลยนเนาะไอ้ตั้งใจฟังไอ้ให้ละเอียดไอ้ไฟใ ห, ใหม่ๆเนี่ยนะ